เมื่อได้ข้าวสารันานหนึ่งก็หุงถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอบุญกุศลนี้จงสมเร็จแก่ท่าของท่านผู้ล่วงรับคือนายโกตุฮลิกด้วยเถิดนางเป็นผู้ฉลาดคิดว่านางควรอยู่ในบ้านของนายโครบาลต่อไปเพราะได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้ไม่มีทยธรรมถวายก็ยังมีโอกาสได้ขนขวายในบุญกุศลได้ว่าได้ทาจิตให้เลื่อมใส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 ระ ก, การที่4หมายถึงเทพบุตรที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นฤรสยาเขาโกรธเขาจึงทากาละอย่างนี้เรียกว่าจุติเพราะความโกรธโคสกาเทพบุตรลหล้มหลเพลิดเพลินในการมาคุณจนลืมบริโภคอาหารจึงจุติเพราะสิ้นอาหารเมื่อจุติแล้วมาปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองหรือนครสวเพณีในกรุงโกสัมพี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 จเจริญเติบโตไปตามแนวภูเขาปลายของกอไผ่ประสานกันแน่นหนาะเป็นพุ่มใหญ่เมื่อเด็กถูกทิ้งลงไปนั้นเสมือนตกลงไปในเปล้าในวันเดียวกันนั้นหัวหน้าช่างศารมีความต้องการไม้ไผ่จึงชวนบุตรไปตัดไม้ไผ่แถวนั้นเมื่อต้นไผ่ไหวเด็กก็ร้องออกมาช่างศารและบุตรได้ปีนขึ้นไปทางภูเขาด้านหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่ เกิดความรักจึงนำไปเลี้ยงไว้เศษฐีให้คนไปซื้อมาอีกเมื่อเศษฐีพยายามฆ่าอยู่เช่นนี้เด็กก็เติบโตเป็นดารุณมีนามว่าโคสกะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สำหรับเศษฐีแล้วเขาเป็นเหมือนหนามที่แทงอยู่ในในตาเศษฐีไม่สามารถมองเด็กตรงๆได้จึงพยายามหาอุบายฆ่าเด็กอยู่ตลอดเวลาครั้งที่ห้า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 เมื่อนางกาลีสงสัยเรียนถามนางจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่โคสกานำจดหมายค่าตัวติดชายพกไปนางกาลีจึงเล่าเรื่องเบื้องต้นของโคสกะาให้สุมนาฟังเหมือนกันขณะที่โคสกากลับมานั้นสุมาาระลึกอยู่ว่าโคสกะาได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะตนโดยแท้จึงโหราขึ้น